รู้ฉันไม่ควรคิดถึงรู้ว่าฉันไม่ควรลึกซึ้งก็รู้แต่ดึงหัดใจไม่เคยอยู่รู้ทุกอย่างว่าควรห้ามใจแต่ทำไมยังไปเฝ้าดูอยากรู้ว่าชีวิตเธอเป็น เพื่อนสนิทแต่คิดไปไกลกว่านี้ก็เป็นไม่ได้มากกว่านั้นคือผิดที่เรานั้นมีใครอยู่แล้ว mm. ทั้งสองคน mm. หัวใจไม่เคยจะอยู่ mm. กับคนที่ควรรักกัน mm. หัวใจไม่เคยจะอยู่ กับคนนี้ที่เคียงข้างฉันมันอยู่กับเธอนั้นทั้งหมดใจก็ไม่รู้ทำอย่างไรกับรักที่มันไม่ควรเกิดลัดใจลืมเธอสักทีก็ทำไม่ได้สิ่ที่เห็น อย่างก็รักก็ทุ่มลงไปทั้งหัวใจแม้ตอนจบจะมีน้ำตาที่ราคอยคือความเสียใจแต่ฉันก็พร้อมทํามไป กับคนที่ควรรักกันหัวใจไม่เคยจะอยู่กับคนนี้ที่เคียงข้างฉันมันอยู่กับเธอ